ภาคผนวกตอนที่สองคำอธิบายเชิงวิจารณ์ในการอธิบายเพิ่มเติมและวิจารณ์ความในพระสูตรนี้เห็นควรพิจารณาเป็นสองแง่คือในแง่วิธีสอนอย่างหนึ่งและในแง่สาระสําคัญหรือหลักธรรมอย่างหนึ่งในแง่วิธีสอน พระธรรมเทศนาอาทิตาปริยยสูตรที่ทรงแสดงแก่ชดินมีข้อควรสังเกตในแง่การสอนที่เป็นข้อสำคัญสองอย่างคือหนึ่งทรงสอนให้ตรงกับความถนัดและความสนใจของชดินพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะทรงแสดงที่ใดและแก่ใครย่อมมีจุดหมายเป็นแนวเดียวกัน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 จะช่วยให้เขาก็ใจทำได้ดีในกรณีของอาทิตาปริ ย, ยายสูตรนี้ก็เช่นเดียวกันชะดินทั้งหลายเป็นผู้บูชาไฟมีชีวิตเกี่ยวข้องกับไฟมาโดยตลอดประสบการณ์และความคิดคำนึงต่างๆก็พัวพันอยู่กับเรื่องไฟบูชายันแม้เมื่อเลิกบูชาไฟแล้วเรื่องพิธีกรรมกิจวัตรที่เกี่ยวกับไฟ ก็ยังคงเต็มอยู่ในความทรงจำเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเกี่ยวกับไฟเกี่ยวกับการลุกไหม้เผาผลาญก็เป็นที่สนใจและชักจูงใจของฉดินให้เพลินคิดเห็นไปตามกระแสพระธรรมเทศนาได้ง่ายยิ่งกว่านั้นยังได้ทรงเล่าความสนใจให้มากขึ้นโดยมิได้ตรัสเรื่องกองไฟบูชายันที่ฉดินจำเจ อ, อยู่และเบื่อหน่ายทิ้งมาแล้ว แต่ทรงกระตุกความรู้สึกเหมือนให้สะดุ้งขึ้นว่าไฟนั้นไม่ได้ลุกไหมอยู่นอกกายไกลตัวเลยแต่ไฟนั้นลุกไหม้เต็มอยู่ภายในตัวทั่วกายไปหมดแล้วเป็นไฟที่ลุกลามไม่อยู่ตลอดเวลารุนแรงกว่าไฟภายนอกควรหันมาสนใจไฟนี้มากกว่าและแทนที่จะให้บำรุงบำรเรให้เติมเชื้อกลับตรัสให้ไม่มีเยื่อใ ย, ยยินดี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 ที่มืดมิดไปหมดแล้วดังนี้เป็นต้นเป็นการยักยืงพระธรรมเทศนาชักนำความสนใจและจูงเข้าสู่ธรรมอีกแบบหนึ่ง